หาหนาวอย่างนี้นให้เราคือเอาความหนาวเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกสติในแง่ที่ว่าทำไงถึงจะเห็นความหนาวโดยที่ไม่ใช่เข้าไปในความหนาว หรือว่าเห็นกายมันหนาวแต่ว่าใจไม่หนาวด้วยที่จริงสิ่งที่จะให้เป็นแบบผูถาจริงๆเนี่ยตัวเยทนาสิ่งที่เรื่อความหนาวนุ่มก็เป็นเรื่องของสัญญาพระปาเข้ามากำหนดหมายว่านี่คือความหนาวนี่คือความร้อนอันนั้นมันไม่ใช่ ไม่ใช่แบบภูก ข, ขาของเราจริงๆแบบภูก ข, ขาก็คือไอ้ทุกขเวทนาที่มันมาเพราะความหนาวต่างหากความหนาวในเรื่องอากาศนะแต่ว่าสิ่งที่มันกลายมาเป็นปัญหาก็คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและทุกขเวทนานี่ มันก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันก็กลายเป็นทุกขเวทนาทางใจเมื่อเราเผลอไม่มีสติเข้าไปเราก็ไปเหมาเอาว่าทุกขเวทนานั้นมันเป็นเราเราทุกมันเป็นเราทุกมันเป็นเราหนาว จริงการที่จะหลบทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีเอาเสื้อผ้ามาหม่มเอาผ้ามาคลุมเอาไฟมาก่อหรือว่าถ้าจะใ ห, ะให้ให้เป็นเรื่องของการฝึกฝนอีกสักหน่อยก็คือเราก็อาศัยสมาธินั่นแหละเอาจิตหลบเข้าไปในสมาธิ คือว่าเอาจิตไปตั้งมั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ไปไม่ไปรับรู้ความหนาวอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำได้เหมือนกันไปก็เอาจิตไปกั้งมัอยู่ ก, กลมหายใจหรือว่าเอาจิตไปหัวการทำงาน ม, มีการทำงานอะไรที่ทาให้เรินไปซะหรือว่าออกแรงให้มันเลิน มันก็ความหนาวมันก็บรรเทาไปได้เหมือนกันหรืออีกอย่างนึงก็คือว่าจิตไม่ไปไม่ไปไม่ว่างไม่ไปรับรู้ทุกขเวทนา น, นั้นแต่ว่าถ้าเราจะลองใช้วิธีการใช้ใช้สติเข้ามาดูเข้ามาช่วยอีกแบบมันก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึง่งคือว่าไม่ต้องไปหลบ ไปอยู่ในสมาธิเพียงแต่ว่าให้ให้มันเห็นให้มันเห็นความหนาซะอันนี้เราเป็นการเข้าไปประชิญหน้าเข้าไปประชิญหน้ากับกับตัวทุกขเวทนาแต่ประเชิญด้วยด้วยการไม่ใช่ไปผักใสมันหรือไม่ใช่ไปต่อต้านมันหรือแม้ให้มันเป็นศัตรูเพียงแต่ว่า วางใจเป็นกลางๆขนาดเดียวกันแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่หลุดหรือไม่ปล่อยใจเข้าไปเกาะเข้าไปจมอยู่กับทุกขเวทนานั้นเป็นเพียงแค่ผู้เห็นทุกขเวทนาซึ่งในที่นี้มันก็เป็นทุกขเวทนาทางกายอันนี้มันก็เป็นเป็นโอกาส ในการฝึกให้เกิดการเรียกว่าปล่อยวางก็ได้เพราะว่าเราทุกๆครั้งที่เราไปยึดทุกทกุทุกครั้งที่ยึดว่ามันนอกคำหนาวันเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเกิดหลุดเข้าไปในความความหนาหรือทุกขเวทนานั้น อันนี้ก็สำหรับผู้ใหม่ๆก็จะไม่ไม่ไม่ถนัดที่จะทำวิธีนี้แต่ว่าเราลองมาฝึกวิธีแบบนี้ดูเพราะว่าต่อไปเราจะเจอทุกขเวทนนอหกหลายแบบซึ่งเคร่งคนรุนแรงนะกว่าทุกขเวทนาจากความหนาวนะเช่นความเจ็บความป่วย จะเป็นเพราะอุบัติเหตุก็ตามหรือว่าจะเป็นเพราะความเสื่อมของสังฐานนะโลกตัดโลกไตโลกมาเลงโลกหัวใจพวกนี้นะมันก็คอยกัดทุกขเวทนาที่ดีขั้นรุนแรงแ้ผู้ที่ฝึกมาเราก็ใช้วิธีนี้แหละก็คือว่าอยู่กับทุกขเวทนาได้แต่ว่าไม่เข้าไปในทุกขเวทนานั้น จะไปพยายามหาทางกำจัดทุกขเวทนามันก็ทาได้ชั่วคราวแต่พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตหรือว่าจุดหนึ่งของของของการอของการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็มันไม่มีทางแล้วการแพทสมัยนี้ทาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะระงรับทุกขเวทนาได้ได้ได้ดี รืยถนะึงทำได้แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดผนเสียตามมาหลายอย่างเช่นหมดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขวเวทนาโนะดยสายสตินี่แหละเป็นตัวเป็นตัวค ล, คล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นกรรมการก็ได้นะที่แยกแยก แยกใจให้ให้ห่างจากทุกขเวทนาเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆให้มันเหมือนกับน้ำกับน้ำมันน้ำกับน้ำมันี่มันแยกกันชัดน้ำกับน้ำมันมันแยกกันชัดไม่ใช่น้ำกับน้ำนมแล้วเราก็ฝึกจิตท่องราให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามันมีการแยกกันชัดระหว่างน้ำกับน้ำมันคืดระหว่างระหว่างใจ ทุกขอเวตนานะมันไม่เข้าไปเข้าไปกลืนกลมกลืนเป็นปเนื้อเดียวกันอย่างน้ําแล้วก็น้ํามันก็คือว่าความทุกความทุกโมกษาซึนไปทุกอนูนะทุกทุกขณะของจิตนะการเจริญสติมันช่วยนะทําให้เราสามารถที่อยู่กับอยู่กับโลกได้โดยที่ไม่เข้าไป ไม่เข้าไปถูกมันครอบงำทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็อยู่กับมันได้สุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็อยู่กับมันได้โดยที่เราก็ไม่พั้งไม่เผลอแล้วก็ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราเราก็ต้องเจอกับทุกขเวทนาที่แรงกล้าที่ที่บีบคั้นรุนแรงนานบ้าง สั้นบ้างเราก็ต้องฝึกมันอย่างที่ได้พูดเมื่อสองวันวก่อนว่าเออก็มีคนหนึ่งเขาเขาป่วยก็เป็นมะเร็งเจ็บปวดมากเขาก็จะเรียกว่าเหมือนกับว่าแยกใจออกมาออกมาแล้วก็ดูดูกายของตัวเองก็เห็นตายมันทุกข์ แต่ว่าพอไม่รู้สึกทุกข์ด้วยแต่พอเผลอเมื่มอไหร่ใจมันก็เป็นรวมกับกายก็ปวดสุดใจก็ทรมานแต่พอมีสตินะก็เหมือนกับว่าใจนี้นมันแยกออกมาอยู่นอกหรือว่าอยู่บนหัวไหล่กลับมาดูตัวเองนะมันก็เห็นแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่ว่า ในใจนั้นไม่เป็นอะไรอันนี้เลยว่าเป็นการก็เท่าว่าอาศัยสตินี่แหละพาเราออกมาพาใจออกมาเป็นผู้ดูเฉยๆอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเป็นผู้ดูอย่างอย่างเป็นรูปธรรมก็เหมือ น, นกับว่าตัวนี้ออกมาอยู่นอกเหมือนกัใจนี้ออกมาอยู่นอกกายแล้วก็มาดูกาย อะไรที่ดูกายคิอใจใครเป็นผู้ดูกายดูด้วยแล้วก็ดูด้วยสติตถ้ามมนมีสติเมื่อไหร่มันก็เข้าไปรวมกันเห็นหน้ำกับน้ำมันเลยนี่มันดูกา ย, ยาดูเห็นไม่นะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ทุกเรื่องความหนานแต่ว่ามันมีแสดอาการออกมาบางทีมันก็พยายามพยายามเกรงนะ เกรงตัวเ ก, าการงต่างก้ามเนื้อหรือว่ามันก็พยายามที่จะกระซับกระสรายเพื่อที่จะหามุมอุ่นอันิย์กายของเราก็แสดงอาการต่างๆหลายอย่างให้เราเป็นแบบฝึกัดให้เราดูให้เราเห็นอันนี้ก็เพราะนั้นมันก็เป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ฝึกตนเพื่อที่เราสามารถจะอยู่กับ ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้ซึ่งจริงในแบบฝึกหัดของเราในความนาบรนนีกก็มันหรือทุกขเวทนานี้มันก็เป็นแค่แค่แบบฝึกหัดเล็กๆมันเทียบไม่ได้กับไอ้สิ่งที่เราต้องเจอในวันข้างหน้านเพียงแค่คิดเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเออไอ้ที่เจอนี่มัน ถือว่าเป็นถือว่าเบาถือว่าเล็กถือว่าเป็นโชคที่ไม่เจอไอ้ที่มันหนักกว่า น, นี้แต่ว่าเท่านี้ไม่พอต้องให้ถือโอกาสเป็นการเรียนสติเคือการฝึกสตนะิเราก็จะอยู่ได้กับความอยู่ได้กับความความทุกข์หรือว่าทุกขเวทนาในรูปแบบอื่นได้ด้วยนี่เป็นศิลปะของการการอยู่กันอย่างสงบสุข อยู่กันอย่างที่ไม่ไม่หลังเกตไม่ผักสายไม่เป็นปฏิปักษ์อย่างที่หลวงพ่อเขียนที่ท่านท้าได้เล่าเมื่อวานวันนี้ก็ให้มาให้มันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันคือว่าวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าหนาวหรือร้อนยืนความทุกข์เนี่ยก็อย่างที่เราได้สวดกันมันก็มาจากเรื่องการพักผาจากสิ่งเป็นที่รักการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก คนส่วนใหญ่ก็พยายามจัดการกับการพัดพลาคือพยายามป้องกันไม่มีการพัดพลาดเนื่อจะเป็นคนสิ่งของก็พยายามเช่นการสร้างสร้างกำแพงการมีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้ทรัพย์สมบัติสูญสูญสูญเสียไปหรือว่ามีระบบมีการประกันภัยเพื่อว่ามันเสียไปแล้วก็ยังได้กลับคืนมา หรือว่ามีการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อไม่ให้ให้สุขภาพดีนั่นมันันพลาดจากเราไปใครเด็กก็พยายามนะพยายามที่จะปนะ้องกันไม่ให้ต้องมาสดกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะส่วนใหญ่ก็แก้กันอย่างนี้แหละ แต่ว่าหรือมองไปว่ามันมีมันมีปัปจจัยหนึ่งก็คือไอ้ความพอใจความไม่พอใจนั่นเองความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจไอ้ตัวประสบกับสิ่งต่างๆนี่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ความพลดพลาดก็เหมือนกันกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเจ่นเจ็บป่วยของหายงานไม่ประสบความสําเร็จคนไม่ชื่นชม คนตนิสอันนี้มันเป็นเรื่องของของเหตุการณ์ที่มากระทบกับเราหรือจะรว่เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ซึ่งเราก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้มันเกิดขึ้นไม่มากก็ น, น้อยแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ความรุ่งคนเรานี่มันไม่ใช่เพราะความประสบหรือความพัดฒไผ่แต่ยงไป็นพะเราไปให้ค่า ว่าสิ่งนี้พอใจสิ่งนี้ไม่น่าพอใจเมื่อเราไปให้ค่ากับไปให้ค่ากับมันว่าอันนี้เป็นสิ่งน่าพอเป็นสิ่งพอใจนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็ทุกเมื่อพลาดจากสิ่งที่พอใจเราก็ทุกก็ Marvin อย่างที่ว่าคนก็ไปจัดการการจัดการกับป้องกันไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ป้องกันไม่ให้พัดพลาจากสิ่งที่น่าพอใจแต่ลือมองไปว่าไอตัวทุกข์ที่แท้จริงเราคือการที่ไปให้ค่ากับมันว่าอันนี้พอใจนี่ไม่พอใจเมื่อไม่น่าพอใจเจอมันเข้าเราก็ทุกข์อะไรที่พอใจพอพัดพลาดจะมาเราก็ทุกข์แต่ถ้าลองเปลี่ยนมันไอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเปลี่ยนให้มันเป็นกลางกลางซะไอสิ่งที่พอใจเราก็เปลี่ยนให้มันเ ป, นเ ป, นเป็นกลางๆซะ เมื่อเป็นกลางๆแล้วเราจะพัดพาจากมันล้วก็เฉยๆเมื่อมันเป็นกลางๆแล้วเราประสบกับมันเราก็ไม่ทุกข์ทำให้มันมีสภาพเป็นกลางจริงๆมันก็เป็นกลางอยู่แล้วนะแต่ใจเราตัางหาที่ไปไปให้ค่ากับมันเองพอเราไปให้ค่ากับมันเราก็ทีแรกเราเป็นตัวกาหนดกาหนดค่าของมันเสร็จแล้วมันก็มากาหนดเราอีกที เราบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วพอเจอพอเราเจออร่อยเราก็สุขพอเราเจอไม่อร่อยเราก็ทุกข์แต่อร่อยของเรามันเป็นไม่อร่อยของคนอื่นและไม่อร่อยของเรามันกลายเป็นอร่อยของคนอื่นเช่นกะปิเราชอบแต่ว่าคนอื่นาไม่ชอบเราเจอกะปิเรามีความสุขแต่คนอืนเขเจอกะปิเขาไม่มีความสุขด้วย ปัญหาไม่ได้ที่ตัวการประสบหรือการพลาดาดแต่ไม่ได้ที่การที่เราไปไปกําหนดหมายว่านี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เราชอบนี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คือสิ่งที่น่าพอใจนี่คือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราไปให้ค่ากับมันมันมีสูงมีต่ํามีบวกมีลบแล้วใจเราก็เลยฟูแฟบไปตามไปตามการให้ค่าอย่างนั้น การเจริญสติเนี่ยมันช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางให้ค่าเท่ากันให้ค่าเท่ากันมองเห็นมันเท่าๆกันบวกหรือลบก็เท่ากันสารเสริญดินถาก็เท่ากันมันก็เป็นอย่างนันอยู่แต่ว่ามนุษย์เราเป็นตนเป็นคนไปให้ค่ากับมัน ธรรมชาติเป็นกลางๆเป็นกลางๆแต่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับมันเป็นเพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกไม่เป็นเราก็เลยจิตใจเราก็ขึ้นลงไปตามมันก็เหมือนกับน้ํามันก็เสกแก้วน้ําก็อยู่มันน้ําของงูของตัว ง, งูเห่าเนี่ยมันก็อยู่ของมันนี่มานานแล้วอยู่ในป่ามานานแล้ว เป็นเพราะเราไม่ระวังเราก็ไปถูกหําแทงหําทิ่มล้วก็เจ็บแล้วเราก็โกรธล้วก็โทษน้ําอาจจะเป็นเราทางที่เข้าไปไปทะเลทลานะ <c oughs> พอเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเนี่ยเราก็เจ็บเองทุกเองสิงงตา่างๆก็มีพอยู่ก้อนหินก็เหมือนกันอาจจะวางวอยู่บนทางอยู่บนถนน แต่พอเราไปเดินเตะมาเราก็โกรธเราก็เจ็บ ด, ด้วยโกรธด้วยเข้าอยู่ของเขามาก่อนแต่ว่าเราไปไม่ระวงังเราไปเดินเตะเองส่วนใครมาวางไว้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งทนะั้งสิ่งต่างๆวันนี้มันก็มันมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจะเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ ในที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกแล้วการส่วนหนึ่งที่การเกี่ยวข้องไม่ถูกการที่เราไปให้ค่าไปไ ป, ไปให้ค่ากับมันแล้วเราก็เลยขึ้นลงไปตามมันแต่ถ้าเราลองลองที่จะฝึกมองมันเป็นกลางๆเริ่มต้นจากในเรื่องการคิดอะไรเกิดขึ้นกับใจหรือเรื่องความรู้สึก รู้ทุกรือทุกเวทนาในว่าจะเป็นเวทนาแบบไหนแล้วก็หรือรู้ที่จะวางใจเป็นกลางๆโดยใช้สติเข้ามาช่วยสติคือการมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางๆอย่างไม่มีอคติว่าไม่รบกวนหรือลบไม่มีสติเมื่อไรอคติก็ครอบงำแต่ว่าอาคติยังหายไปเมื่อสติปรากฏขึ้น ก็เรียนรู้นะจากอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั่นแหละความโกรธความเบือ่อความเครียดความหงุดหงิดไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจที่ผ่านมาเราก็พยายามก็ไปจัดการกับมันต่อต้านมันพักสายมันแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ได้ให้เป็นโอกาสที่เราจะมองมันอย่างเป็นกลางๆ ไม่ไมผักใสแต่ว่าเราดูอยู่เป็นการดูอย่างห่างก็ได้คือถ้าจะดูมันก็ต้องห่างอยู่แล้วละ่ะเพราะถ้าถ้าเปนแนาคิดสนิทใกล้มันก็ไม่เห็นมันก็ดูไม่ได้เห็นไม่ได้จะดูก็ต้องห่างและเมื่อห่างมันก็เลยไม่ตกอยู่ในอนนาของมันก็เลียวอยู่กันได้ ไอ้ถึงที่เรียกว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจมันก็เลยไม่ไกลไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะไม่ประสบประสบแต่เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าไม่น่าพอใจตัางหากเราประสบกับสิ่งแล้วก็ตามแต่เราไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียต่อไปเราเห็นมันเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมนะ ซึ่งเรารู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องนะด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็ก็จะก็จะสอดคล้องกับที่ได้ได้พูดกันเมื่อสวันก่อนว่าเนี่ยทำที่ประพฤติแล้วยอมนำสุขมาให้ตนมันมีความหมาย2ชั้นความหมายชั้นแรกก็อเออทำความดีการทำความดีย่อมยํานำสุขมาให้ตน อันนี้ก็เป็นความหมายที่เราขายก็เข้าใจกันแล้วก็คุ้นเคยกันการทำความดีก็ยัก็ต้องนำความสุขมาให้แต่ความหมายนี้คือว่าทำนั้นจะเป็นทำอะไรก็ตามถ้าเราประพฤติดีประพฤติถูกนะมันก็นำสุขมาให้มีความพลกย์ความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมแต่เราก็จะเป็นอกุศลธรรม ความเครียความเจ็บความปวดความโกรธ ถ, ถ้าเราปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องต็นังความสุขมาให้เหมือนกันประพฤติ ด, ดีก็หมายถึงประพฤติหรือปฏิบัติอย่างถูกต้องความเจ็บความปวดความโกรธเราปฏิบัติกับมันอย่างถูกต้องเราก็มีความสุขได้เหมือนกัน นะปฏิบัติถูกต้องก็ทำได้หลายอย่างเอามันเป็นเครื่องฝึกสติหรือว่ามีสติดูมันเราก็สุขได้หรือว่าพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจงกระทั่งเห็นเป็นความยึดมั่นยึดติดถือมั่นในใจเราถ้าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนี่ก็โกรธได้ เราว่าเราไปยึดติดกับมันมากเกินไปเราไปออกเป็นเราตายกับมันมากเกินไปเปี่งแค่เรื่องเล็กน้อยก็โกรธะนะการพิจารณาเหตุปัจจัยก็ทำให้เราได้เห็นได้รู้จักตัวเองเกิดปัญญาเข้าใจถึงส ม, มุทัยแห่งความทุกข์อันนี้เราก็พอเราเข้าใจเราก็มีความสุขพอมีปัญญาเพรานะน่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่ากุศลอกุศลไม่ว่าบวชรลบถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติดีกับมันเราก็ได้ไประโยชน์เติดความสุขขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวแล้วไม่ก็ไม่รังเกียจสิ่งต่างๆที่โลกเขาหาว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ โรคหาว่าเป็นความทุกข์แต่ว่าเรากลับมองว่าเออพวกเรานี้ล้่นดีทั้งนั้นมีอะไรเกิดถ้าเราทําี้ได้อะไรเกิดขึ้นกัแล้วก็ดีทั้งนั้นรวมทั้งไฟบวกด้วยไฟโบที่เกิดขึ้นอิฐาลมกุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็ได้ไประโยชน์ที่เคยทําให้เราเพลอทําให้เราฟูทําให้เราประมาทล้วก็ เรามมีความระมาลองตัวมากขึ้นแล้วก็ได้รู้เท่าทันพิจารณาก็เห็นว่าโอมันก็มีทุกข์แฝงอยู่นะในตัวสุขนั้นในตัวในตัวความในตัวอารมณ์ที่มันน่าพึงพอใจมันก็มีมันก็เจือด้วยความทุกข์ที่พร้อมจะกัดพร้อมจะพร้อมจะขบเราให้ทุกข์ได้ เราก็ฉลาดมากขึ้นอันนี้ม็นก็นะเกิดจากการวางจิตวางใจให้เป็นนะแล้วก็ฉลาดในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในนะภายนอกจะเป็นผู้ควรจะเป็นทรัพย์สมบัติสินของ จะเป็นถ้อยคําของใครต่อใครกัแล้วแต่ภายในคือปฏิกิยาแรกที่เกิดขึ้นเมื่อประสบสัมภาระสิ่ง น, นั้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติเราก็โกรธเราก็โมโหเราก็ไม่ชอบเราก็ทุกข์เราก็หงุดหงิดแต่ว่าเผอรั้งแรกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามีสติตามมามันก็ได้ประโยชน์ แต่ถ้าไม่มีสติในครั้งที่สองนี่มัมก็ไปแล้วนั่นอ ย, าย่าอย่าพลาดสองครั้งเผลอครั้งแรกไม่เป็นไรได้ฟังคนนําตำหนิแล้วโกรธมีพเพาะเผลอแต่พอโกรธแล้วมีสติรู้ทันเราก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่มีสติรู้ทันมันก็จะหุดหยุด ว, ว่าทำไมเราถึงโกรธทําไมเราปรฏิบัติมามต้องนานทาไมเรายงังโกรธ นี่มีลักษณะของการแผ่นผักใส่ความติดดีก็ทําให้เรายิ่งเกิดความรู้สึกโมโหตัวเองแล้วก็ท้อแท้ที่ปฏิบัติได้ไม่ก้าวหน้าทําให้เผลออันนี้ก็เกิดอกุศลธรรมซ้ำสองตามที่จริงสามดีซ้ำเทีแลกกลัวแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจก็ทําให้เกิดเกิดความรู้สึกรู้สึกท้อแท้การปฏิบัติ โกรธไม่พอใจตัวเองแล้วก็ท้อแท้การปฏิบัติ3ามสามซอนเลยทีแรกโกรธโกรธนี่มันพุ่งไปที่คําพูดของคนอื่นที่มาตำเหน็จเราเสร็จแล้วไม่พอใจที่โกรธเพราะเราเป็นนักปฏิบัติความไม่พอใจนั้นพุ่งมาที่ตัวเราเสร็จแล้วก็เกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติความท้อแท้นั้นก็เป็นการท้อแท้ในตัวการปฏิบัติเรียกว่าตัดทั้งโลกเลย กลัวคนอื่นไม่พอใจตัวเองเพรแท้การปฏิบัติไม่เหลือเลยนี่พเพราะเผลอหลายเผลอสามซ้อนให้เราทั้นเท่าเราเผลอให้เผลอครั้งเดียวคือว่ามันโกรธแต่พอกลัวแล้วก็รู้ทันมีสติรู้อาวได้ไประยว่าจะเพลอกีกครั้งก็ตามอย่างน้อยถ้ามันครั้งสุดท้ายเป็นความการมีสติรู้ทันก็ยังดีไม่ใช่เผลอจนจมไปเรื่อยๆ แต่ว่าถ้ามันเผลอมาเป็นสามซอนนี่หรือสี่ซอนนี่สี่ลำดับนี่มันมันยากแล้วเพราะว่ามันปรุงไปจนอารมณ์มันท่วมทับสติเอาไม่อยู่เนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเผลอครั้งแรกนี่ก็ถือว่ายังดีย้ายผิดซ้ำสองอย้ายเผลอซ้ำสองการเผลอครั้งแรกเป็นของดีเพราะว่าทำให้เรามีวัตถุดิบในการได้เจริญสติ ถ้าคนเราไม่รู้จกโปรดแลยไม่รู้จัก เ, เครียดเลยไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเซ็งสติมันก็ไม่โตถ้าในฟุ้งซ่านเลยสติมันก็ไม่มีทางปลาดเปรียวเพราะฉะนั้นเผลอใช่บ้างนะก็ดีแต่ให้เผลอครั้งเดียวอย่าเผลอสองครัง้งถ้าเผลอสองครั้งแล้วเดียวมันจะเผลอตามไปเป็นขบวนอันนี้อะไรเราเราเกิดความไม่พอใจนุนหขึ้นมาบนบนในใจเรื่องความหนาว เพราะทุกขเวทนามันมัครอบงำเราไม่เป็นไรก็มีสติรู้แนละ้ว ก, ก็ให้ให้เราการให้ใจเป็นผู้ดูเฉยๆไม่เข้าไปอันนี้ก็เรียกว่าได้กําไรนะก็ถือว่าเป็นบบทดสอบที่เมื่อเราผ่านได้เราก็มีความฉลาดมีความปราดเปรียวในเรื่องการรู้ทันมากขึ้น มันก็เป็นคะแนนเป็นต้นทุนที่ไปใช้ในการทำรเผชิญกับเวญนาอย่างอื่นต่อไปก็ต้องไปเจอกับทุกขเวญนาจากความร้อนบางทุกเวญชนาจากความอึดอัดทัดเรืองความหิวหรือว่าอาการทางกายต่างๆมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เกิดความชมนะก็กลายเป็นของสมุกไปล้มเหลวก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่โมโหก็ถือว่าอ้า ไอ้ความล้มเหลวนั้นมันก่อให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความโมโหเกิ ด, ดกขึ้นอ้าวรู้มันรู้มันรู้มันความล้มเหลวก็กลายเป็นความสําเร็จผิดก็กลายเป็นถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็พูด ก, กันเท่าที่ชอบ น, นี้อ่ะกรับาครองกัน